ที่ว่าประวัติวัดปฏิบัติและปฏิปทาของหลวงปู่เลียนวลล า, าลาโภชาติภูมิหลวงปู่เลียนวลล า, าลาโภหรือที่มีนามตามสมณศักดิ์ว่าพระสุธรรมคณาจารย์พระวิปัสนาจารย์ผู้เป็นศิษย์เอกรูปหนึ่งของหลวงปู่ม่นนั้นท่านมีนามเดิมว่าเลียนท่านเกิดในสกุลใจขาน โดยเป็นบุตรของพ่อผาใจขานและแม่พิมพ์ใจขานหลวงปู่เลียนท่านเกิดเมื่อวันที่8มกราคมพุทธศักราช2455ซึ่งตรงกับวันพุธขึ้นสองค่ำเดือนยี่ปีชวดท่านเป็นชาวหนองคายโดยกำเนิดคือเกิดและเติบโตที่บ้านหม้อตำบลบ้านหม้ออำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายหลวงปู่เลียนท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมดเจดคน แต่ตามประวัติบอกว่าเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยน้อยทั้งหมดจึงเหลือแต่ลุงปูเหรียญรูปเดียวที่เติบโตและยังมีชีวิตยอยู่วัยเด็กลุงปูเหรียญเกิดในครอบครัวเกษตรกรบิดามานดาของท่านประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ทำนาในวัยเด็ก ท่านจึงถูกเลี้ยงดูตามประษาลูกชาวไร่ชาวนาแต่ท่านใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความอบอุ่นของพ่อแม่ได้เพียงสิบขวบปีเท่านั้นก็ได้เกิดความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นในชีวิตเป็นครั้งแรกเมื่อมานดาคือแม่พิมพ์ได้ถึงแก่กรรมลงอย่างกระทันหันเด็กชายเหรียญจึงเป็นกำพร้าแม่ตั้งแต่อายุได้เพียงสิบขวบชีวิตที่อบอุ่นและสดใสในวัยเด็กค่อยๆหมดไปแม้ว่าเหลือบิดาขอให้ความอบอุ่น แต่ในวัยเด็กนั้นส่วนใหญ่จะผูกพันกับมารดามากกว่าและในโลกนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนมีมารดาได้ถึงสองคนแม้ว่าจะมีใครคอยให้ความรักความอบอุ่นแทนมารดาแต่ยังไรก็ไม่สามารถเปรียบผู้เป็นมารดาที่ให้กำเนิดมาจริงๆได้ชีวิตภายหลังการสูญเสียมารดาของเด็กชายเลียงจึงไม่สู้จะสดใสนักและยิ่งนาไปสู่ความร้าวรานทางจิตใจมากขึ้นเมื่อต่อมาเพียงไม่นาน บิดาได้แยกไปมีพันยาใหม่และตอนนั้นเองยายก็ได้รับไปเลี้ยงดูและให้ความอบอุ่นแทนแม้ว่าจะมีวัยถึงเกณฑ์ควรจะได้รับการศึกษาเล่าเรียนแล้วแต่เด็กชายเหรียนก็ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนในประวัติไม่ได้ระบุเหตุผลที่ชัดเจนแต่สันนิษฐานว่าไม่เป็นเพราะช่วงชีวิตเปลี่ยนแปลงคือเดี๋ยวไปอยู่กับคนโน้นเดี๋ยวไปอยู่กับคนนี้ก็เพราะความทุรกดานในท้องถิ่นนั้นแต่อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเด็กชายเหรียญได้ไปอาศัยอยู่กับยายได้ประมาณสองปีในผาผู้เป็นบิดาก็มารับไปอยู่ด้วยกันเพื่อจะได้ศึกษาเล่าเรียนด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเด็กชายเหรียญจึงได้เริ่มเข้ารับการศึกษาในชั้นประถมเมื่อมีอายุได้12ขวบแล้วแต่แม้ว่าเด็กชายเหรียญจะเริ่มเข้าศึกษาเมื่อมีอายุเลยเกิดแล้วแต่ระดับการเรียนของเขาอยู่ในขั้นดีจนไปได้ชมเชยของครูบาอาจารย์ และครูบาอาจารย์จางได้คาดหวังอนาคตเอาไว้ว่าน่าจะเอาดีทางการศึกษาได้เด็กชายเหรียญเรียนหนังสืออยู่4ปีก็จบภา ค, คบังคับด้วยระดับการศึกษาที่ดีครูบาอาจารย์จึงอยากจะส่งเสริมให้เรียนต่อแต่เด็กชายเหรียญเห็นว่าตัวเองมีอายุมากแล้วกล่าวคือจบป .4 เมื่ออายุได้16ปีแล้วประกอบกับตนเป็นลูกคนโตของบิดาและตอนนั้นบิดาก็ได้บุกเบิกที่ทางไว้มากต้องการคนช่วยเหลือทางด้านแรงงาน นอกจากตนแล้วก็ไม่มองเห็นใครจะช่วยบิดาได้มากเท่าด้วยเหตุ น, นี้นายเหรียญจึงตัดสินใจไม่เรียนต่อออกไปช่วยบิดาทำสวนทำนาวัยหนุ่มนายเหรียญจบการศึกษาภาคบังคับเมื่ออายุเข้าสู่วัยหนุ่มแล้วกล่าวคือมีอายุได้16ปีคนในชนบทสมัยนั้น อายุสิหกปีถือว่าเป็นผู้ใหญ่พอสมควรและเป็นแรงงานภาคเกษตรกรรมได้เต็มตัวแล้วภายหลังออกจากโรงเรียนในเหรียญจึงได้ทุ่มเทแรงกายในวัยนุ่มให้กับงานทําสวนที่บิดาเป็นผู้บุกเบิกไว้ในเหรียญเป็นคนขยันขันแข็งและเอาจริงเอาจังมาตั้งแต่เด็กเมื่อเรียนก็เรียนจริงและเมื่อมาช่วยพ่อทํางานก็ทําจริงด้วยเหตุ น, นี้เพียงไม่นานผลผลิตทางด้านแรงงานของในเหรียญจึงปรากฏขึ้น บิดามีนามีสวนมากขึ้นและได้รับผลประโยชน์จากสวนจากนาอันเป็นน้ำพักน้ำแรงของในเหลียญมากขึ้นในช่วงวัยหนุ่มในเหลียนได้ทุ่มเทให้กับการงานในนาในสวนโดยไม่คำนึงถึงความสนุกสนานตามวัยเลยแม้ว่าวัยนั้นควรจะมีความรักหญิงสาวเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแต่ในเหรียนก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสาวใดไม่มีพันธะหัวใจกับใครเพราะชีวิตทุ่มเทให้แต่งาน และด้วยความเอาจริงเอาจังในหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตทําให้เนเลียนได้พิจารณาถึงอนาคตของตัวเองยามหยุดพักเหนื่อยจากการงานก็มักจะนั่งทบทวนถึงเรื่องราวที่ผ่านมาและคาดคิดไปถึงชีวิตในอนาคตเขาจึงมองเห็นความไม่ราบเรื่อนของชีวิตพิจารณาจนเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตคาราวาสได้มองเห็นความเหน็ดเหนื่อยและความหนักหน่วงของคาราวาสวิสัยได้มองเห็นทุกอันใหญ่หลวงที่จะโถมทับมาในอนาคต ไม่ว่าจะในฐานะอะไรเขาจึงเริ่มคิดหาทางหนีทุกใหญ่เหล่านั้นในวัยใกล้บรรลุนิติภาวะในเรียนได้เพ่งพินิษสาระแห่งชีวิตมากขึ้นทุกทีทุกทีจนในที่สุดจิตใจก็โน้มเอียงไปในทางออกบทอยา ก, กละทิ้งความวุ่นวายในเพศคาวาดตัดวงจรความทุกข์ทั้งมวลสู่ความสงบอันร่มรื่นในเพศบามพชิต สู่ล่มกาสาวพัดในวัย20ปีบริบูรณ์ในขณะที่พื้นฝูงรุ่งเดียวกันส่วนใหญ่มีครอบครัวแล้วมีลูกมีเมียกันหมดแล้วแต่ในเหลียนก็ยังคงนิ่งเฉยต่อสภาพครอบครัวเนื่องจากก่อนหน้านั้นเขาได้คิดที่จะละทิ้งความวุ่นวายในเพศคารวาสมาสู่ความสุขสงบในเพศบันพชิตแล้วแต่เนื่องจากเห็นว่าบิดายังต้องการให้ช่วยเหลือนในเรื่องแรงงานอยู่มากจึงได้อยู่ช่วยอีกระยะหนึ่ง จนเห็นว่าพอสมควรแล้วบีดามีนามีสวนและได้รับผลประโยชน์จากสวนจากนานั้นพอที่จะเลี้ยงชีพบได้อย่างไม่อัตคัดแล้วจึงได้ตัดสินใจแจ้งความประสงค์เรื่องจะเข้าสู่เพศบัณชิตให้บีดาทราบพ่อผาได้ทราบความประสงค์ของลูกชายแล้วก็ไม่คัดค้านแต่อย่างใดอันที่จริงตัวของพ่อผาเองก็พอจะคาดการได้ว่าลูกชายคนนี้คงจะเอาดีในทางบุชเพราะเห็นชีวิตที่ผ่านมา เขาไม่ค่อยคลึคลื่นเฮ ห, หาเหมือนคนหนุ่มทั่วไปจึงได้สนองตอบเจตนาลมของลูกชายโดยการไปพาไปฝากให้อยู่ฝึกท่องขานนาค ก, กับสมภารที่วัดที่สนิทสนมกันคือวัดโพงทองซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่าบ่อจังหวัดหน้องข่ายในเหรียญไปฝึกท่องขานนาคอยู่เพียงไม่นานก็สามารถจําบทสวดตอนใช้ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทได้ทางจ้าอาวาสวัดโพงทองก็เลยกําหนดวันบรรพชาอุปสมบทให้ หลวงปู่เหรียญได้เข้าสู่เพศบรรพชิตในฐานะพระภิกษุเมื่อปีพุทธศักราช2475ณพัทศีมาวัดหงทองอําเภอท่าบ่อจังหวัดน้องขายโดยมีพระครูวาปีดิศวัตรเป็นพระอุปชาจารย์การบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้พระภิกษุเหรียญสังกัดมหานิกาย เปียนปริยัตยการถือบวชของพระพิสุเหลียนไม่ได้เป็นไปตามธรรมเนียมนิยมของชายไทยทั่วไปกล่าวคือหาได้บวชเพียงเพื่อจะใกล้ชิดพระศาสนาตามประเพณีคือบวชเพียงภาษาเดียวแล้วจะลาสิกขาออกไปคลองเรือนต่อหากแต่ในเลียนสมัครใจเข้าถือเพศบัรพิชิต ด, ด้วยความศรัทธาและปรารถนาจะใช้ชีวิตอยู่ใต้ร่มผ้าเหลืองตลอดไปตั้งแต่ตัดสินใจบวชในเบื้องต้น ด้วยเหตุ น, นี้ภายหลังจากอุปสมบทเป็นพระพิสุแล้วพระภิสุเหรียญก็ต้องใจศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเต็มที่โดยได้เดินทางไปเข้ารับการศึกษาทางด้านพระประยัติที่วัดศรีสุมังอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอันเป็นสำนักเรียนใหญ่ฝ่ายมหานิกายของเมืองหนองคายในสมัยนั้นพระภิกษุเหรียญศึกษาปริยัติธรรมอยู่ที่วัดศรีสุมังแห่งนี้ได้หนึ่งพรรษาก็สามารถสอบนักธรรมชั้นตรีได้ เริ่มสนใจกรรมฐานในระหว่างที่ไปศึกษาทางด้านปริยัติธรรมอยู่ที่วัดศีสุงนั้นพระภิกษุเหรียญก็ได้เริ่มสนใจในวิชากรรมฐานแล้วเนื่องจากได้พบกับพระภิกษุที่มีความรู้ในทางกรรมฐานรูปหนึ่งที่วัดศีสุงพระอาจารย์รูปนั้นก็คือพระอาจารย์บุญจันทร์พระอาจารย์บุญจันท ร, ร์รูปนี้เองเป็นผู้ที่ได้ริเริ่มชักนาพระภิกษุเหรียญเข้าสู่เส้นทางสายกรรมฐาน โดยที่ท่านเป็นผู้แนะนําอุบายธรรมให้เป็นคนแรกลุงปูเหรียนจึงได้ยกเอาพระอาจารย์บญจันร์รูปนี้เป็นปฐมาจารย์ในทางกรรมฐานของท่านลุงปูเหรียนได้เล่าถึงการเรียนกรรมฐานในครั้งแรกเริ่มของท่านให้ฟังว่าการปฏิบัติของอาตมาไม่เข้มแข็งอะไรนักคือท่องหนังสือธรรมตั้งแต่หัวค่ําจนเที่ยงคืนก่อนเข้านอนอาตมาไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งภาวนาบริกรรมพุโทโธพุโทโธ ไปเรื่อยๆจนเกิดความสงบขึ้นแต่เป็นความสงบเฉยๆนะมันยังไม่เกิดปัญญาอะไรเลยในขณะนั้นแต่อย่างไรก็ตามการเป็นแบตกรรมฐานในครั้งนั้นก็ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าเมื่อโยมอิดาของท่านได้ทราบข่าวว่าพระลูกชายสนใจในทางกรรมฐานด้วยพอดีขณะนั้นแกได้หนังสือเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานมาเล่มหนึ่งเอามาอ่านดูเห็นว่ามีประโยชน์ในทางกรรมฐานอยู่มาก จึงได้นําหนังสือนั้นไปถวายพระลูกชายที่วัดศรีสุ망หลวงปู่เหรียญได้เล่าถึงเรื่องที่มาของหนังสือเล่มนั้นอันถือได้ว่าเป็นตําราทางกรรมฐานเล่มแรกของท่านให้ฟังว่าเรื่องนี้รู้ไปถึงบิดาของอาตมาท่านก็รีบมาหาอาตมาที่วัดแล้วนําหนังสือมาให้เล่มหนึ่งเป็นหนังสือวิธีเจริญสมถวิปัสสนากรรมฐานดูเหมือนจะเป็นเล่มที่หนึ่งนี่แหละนะเป็นของท่านพระอาจารย์สิงขันตยาขโม ท่านแต่งขึ้นเป็นคำอธิบายแนวสติปฐานสี่นี่เองภายหลังจากได้หนังสือเร่มนั้นมาพระภิษุเหลียนก็นำออกมาศึกษาอย่างจริงจังและปฏิบัติตามคำแนะนำนั้นอย่างเคร่งครัดจึงทำให้การเจริญสมถวิปสนากรรมฐานจเจริญรดหน้าไปมากทำให้จิตใจของท่านเริ่มหนักแน่นไปในทางกรรมฐานมากกว่าทางปริยัตตั้งแต่บัดนั้นก็มุมานะในทางปฏิบัติเป็นการใหญ่ โดยเริ่มจากเมื่อออกพรรษาแล้วสอบนักธรรมเสร็จก็กลับมาพักที่วัดใกล้ๆบ้านโยมิดาคือที่ตำบลบ้านหม้ออำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายระหว่างที่มาพักอยู่นั้นก็ได้มีโอกาสพบพระธุดงค์รูปหนึ่งซึ่งเป็นพระวิปัสสนาจารย์สิทธิ์ของท่านพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระธุดงค์รูปนั้นก็คือพระอาจารย์กู่ธรรมมทินโนทพระอาจารย์กู่รูปนี้ท่านจำพรรษาอยู่ที่อำเภอพันานา น, นิคม จังหวัดสกลนครแต่ในช่วงออกพรรษาท่านนิยมออกท่องทุดงสแสวงหาสถานที่อันเป็นสัก ป, ปายะเพื่อบำเพ็ญธรรมและสงเคราะห์ญาติโยมในถิ่นธุระกัดารตอนที่ท่านมาปักกรดบำเพ็ญธรรมอยู่ที่หมู่บ้านบ้านหม่อนั้นมาพักอยู่ในลาป่าใกล้ๆกับบ้านของในผาโยมพ่อของพระพิสุเหรยน ในขณะนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านต่างเคารพศรัทธาในตัวพระอาจารย์กู่โดยเฉพาะพ่อผาใจขานโยมิดาของพระพิสุเหลียนได้ถวายการอุปถากต์บำลุงพระอาจารย์กูอยู่อย่างใกล้ชิดเมื่อพระลูกชายคือพระพิกษุเหลียนกลับมาพักที่วัดในหมู่บ้านพ่อผาก็ได้นำพาไปรู้จักกับพระอาจารย์กู่เพราะเห็นว่าพระลูกชายมีความสนใจในทางวิปัสสนากรรมฐานและพระอาจารย์กู่ก็มีความรู้ในทางนั้นเป็นอย่างดี โดยเฉพาะท่านเป็นสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตฝ่ายวิปัสนาในขณะนั้นเมื่อได้พบกันทําการคารวะกันตามสมควรแก่ฐานะแล้วพระภิษุเหร็นก็ได้พักอยู่กับพระอาจารย์กูเพื่อจะเรียนกรรมฐานจากท่านหลวงปูเ่เหรยนท่านจึงยกพระอาจารย์กูเป็นพระอาจารย์ในทางกรรมฐานรูปที่สองของท่านหลวงปูเ่เหรยนได้เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อกล่าวพบพระอาจารย์กูครั้งแรกให้ฟังว่า พระอาจารย์กูเดินทุดงมาพักที่บริเวณนี้คือที่ตั้งวัดอรัญญบุญพศในปัจจุบันสมัยก่อนโน้นยังไม่มีวัดอะไรเลยเป็นป่าดงทึบสัตว์ป่าก็มากนะสมัยนั้นอาตมาได้มีโอกาสพบและปฏิบัติธรรมกับท่านมาเรื่อยฝ่ายโยมบิดาของท่านคือในผาใจขานในเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระอาจารย์กูยิ่งนักและยิ่งเงเดค้นพบทางสว่างแห่งชีวิตคือการปฏิบัติธรรม จนในที่สุดก็ตัดสินใจออกบวช ด, ด้วยและได้ถือคลองเพศบัณชิตอยู่จนกระทั่งมรณาภาพหลวงปู่เหรียนเล่าถึงหลวงพ่อผาโยมอิดาของท่านให้ฟังว่าพออาตมากลับมาอยู่วัดข้างบ้านไม่นานนักโยมอิดาจึงออกบวตตามมาบ้างเพราะท่านเกิดศรัทธาในจารย์วัดของพระอาจารย์กูธรรมทิโนท่านเลื่อมสายถึงขนาดทีเดียวไม่ว่าพระอาจารย์กูจะออกโปรดบิณฑบาตจะนั่งเดินยืนนอน ทำภาวนาเดินจงกลมโยมบิดาของอาตมามองเห็นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสยอย่างมากทีเดียวเมื่อท่านบวชเข้ามาแล้วก็อยู่กับอาตมาจะเลื่อสมาธิภาวนาได้มากทีเดียวละ่ะท่านอยู่ในชีวิตของพระได้ยี่สิบสามพรรษาและท่านก็ล่วงรับไปรวมอายุตอนท้ายของชีวิตได้เก้าสิบสามปีหลวงพ่อของอาตมาเจชีวิตไปในลาพศสองพันหรอสิบเก้านี่เองนะเรียกว่าชีวิตของบิดาในชาตินี้ ได้กำไรไปมากพอสมควรทีเดียวเหมือนกันไม่เสียทีที่เกิดอาตมาก็พลอยมีกุศลไปกับท่านด้วยเริ่มออกทุดงภายหลังจากได้พบพระอาจารย์กูธรรมทินโนแล้วพระพิสุเหรยนก็ได้หันหน้าเข้าสู่ทางสายกรรมฐ า, านอย่างจรงิงจังโดยการติดตามพระอาจารย์กูไปทุดงอย่างที่ต่างๆ ศึกษาธรรมปฏิบัติจากท่านอย่างต่อเนื่องท่านเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อต่อทุดงไปกับพระอาจารย์กู่ให้ฟังว่าพระอาจารย์กู่ก็ไม่ได้แนะนําอะไรมากนักหรอกเพราะท่านรู้ว่าอาตมาได้เคยฝึกปฏิบัติภาวนามาก่อนอย่างดีเมื่อเข้าไปถามท่านท่านค่อยแอ่นอุบายมาแล้วก็นั่งภาวนาไปพิจารณาไปในอาการต่างๆที่เกิดกับจิตบางครั้งก็พาออกไปเที่ยวทุดงบ้างเดินจงกรมบ้าง สำหรับวิธีการอาตมาก็อ่านหนังสือที่บิดามอบไว้ให้บ้างแล้วก็มาลองนั่งเจริญกรรมาฐานตามตัวหนังสือเลยนะทีนี้พอจิตเราสงบขณะที่เกิดสมาธิขึ้นมาก็เพ่งพระกรรมฐานที่พระอาจารย์สิงขันตยาขโมแนะนําเกี่ยวกับสติปัฏฐานสี่อาตมาเพ่งกายนี่แหละพอพิจารณาเพ่งไปเพ่งไปร่างกายนี่มันแตกกระจายออกเป็นส่วนๆไปเลยแต่อาตมาก็ไม่กลัวนะตายเป็นตายกัน อยู่มันก็มีทุกข์ตายไปแล้วมันจะได้หมดทุกข์กันเสียทีแล้วทีนี้อาตามาก็มากําหนดเอาไฟเผาส่วนต่างๆจนหมดกลายเป็นเท่าฐานเหลือแต่กระดูกกําหนดเอาครกมาตําเสียจนกระดูกเป็นผงแล้วก็ซัดไปกลางอากาศให้มันปลิวไปตามลมทีนี้อาตามามาย้อนถามดูใจตนเองว่าที่ไหนเป็นตัวเป็นตเนตเป็นของเรามองไม่เห็นไม่มีตัวตนไม่มีเราและเขาเลย ตายลงไปแล้วก็มีแต่ศูนย์หายไปรูปธาตุสังขารเนี่ยเอาอะไรไม่ได้เลยมีดวงจิตลอยอยู่รู้อยู่โดดๆอาตามารำเพงในใจว่าเอรู้สึกว่าใจสงบได้ดีมากกว่าบริกรรมพุทโธพุทโธเข้าใจไปนั่นแหละทีนี้นั่นก็เข้าไปถามอีกคือไปถามพระอาจา ร, รย์กูบอกให้ท่านรู้ท่านก็ไม่พูดอะไรเพียงแนะนําอะไรบางอย่างมาเป็นอุบายในการภาวนาเท่านั้น แล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติกันเอาเองต่อมาพระอาจารย์กูธรมถิโนได้พาอาตมาออกเที่ยวทุดงเข้าไปอาศัยในป่าไม้ถ้ำบ้างขาวบ้างการภาวนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพความรู้เกิดขึ้นมามากทีเดียวแล้วท่านก็ได้เปรียบเทียบความแตกต่างในเรื่องของการทุดงในสมัยที่เริ่มออกทุดงกับพระอาจารย์กูกับการทุดงในปัจจุบันให้ฟังว่าการเดินทุดงในสมัยนี้กับสมัยก่อนมันผิดกันนะ สมัยก่อนนี้เวลาออกตุดงถ้าได้เข้าป่าแล้วแล้วก็มันวังเวงสงบจริงๆมันเป็นการฝึกใจได้ดีใครไมีจิตใจอ่อนไหวแล้วเป็นอันอยู่ไม่ได้พระตุดงสมัยก่อนนี้บางทีไม่ได้สันจังหันหนึ่งวันบ้างกว่าจะทะลุป่าก็ต้องเดินกันเป็นวันๆบางทีไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันกี่โมงกี่ยามกันแล้วเพราะในป่าเนี่ยมันมืดสนิทดีจริงๆอาจจะมาเดินไปเรื่อยๆบางครั้ง ก็แวะพักตามอารามต่างๆบ้างพอสมควรแต่ไม่ค่อยจะได้อยู่นาหนักก็ออกเที่ยววิเวกกับพระอาจารย์กู่กันต่อไปข้าวิธีทันหิกรรมในขณะที่พระพิสุเหรีย์ได้ติดตามพระอาจารย์กู่ทำมัติโนทุดงไปในที่ต่างๆอยู่นั้นแม้ท่านจะเคารพนับถือกันในฐานะสิทธิอาจารย์แต่ท่านทั้งสองก็สังกัดกันอยู่คนละนิกาย ทำให้การปฏิบัติต่อการบางประการไม่สะดวกพระอาจารย์กู่พิจารณาดูเห็นว่าความแตกต่างนั้นจะเป็นอุปสรรคและจะเป็นปัญหาต่อไปในระยะยาวท่านจึงได้บอกให้พระพิสุเหลียนแปลยะติเปลี่ยนสังกัดนิกายใช่ไหมเพราะตัวท่านพระอาจารย์กูสังกัดนิกายธรรมยุทธ์แต่พระภิสุเหลียนสังกัดมหานิกายทั้งนี้เพื่อจะให้สะดวกในลหลายๆประการ จึงจำเป็นจะต้องให้สังกัดนิกายเดียวกันจะได้เป็นสิทธิอาจารย์กันอย่างจริงจังและสะดวกในการปฏิบัติต่อกันพระพิสุเหลียนก็เห็นสมควรด้วยพระอาจารย์กูจึงได้พาไปยังวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อใช้ทําพิธีธนนิกรรมแปลยติมาสังขัดฝ่ายธรรมยุทธ์ซึ่งสมัยนั้นทางอีสานหากพระพิสุสังกัดฝ่ายมหานิกายมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระกรรมฐานสาย ท่านพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นก็มักจะแปลยติเป็นธรรมยุทธ์ให้เหมือนกับหลวงปู่มั่นเพื่อสะดวกในการปฏิบัติตัวตอกัดและพระเทระที่ได้รับความไว้วางใจให้ทมหน้าที่เป็นพระอุปชาทาพิธีทันหิกรรมคือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจูมวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพระภิษุเหลียญได้เข้าพิธีทาทันหิกรรมเป็นพระธรรมยุทธ นภัจจสีมาวัดโพธิสมพรเมื่อปีพุทธศักราช2476พระอุปชาใหม่ตั้งมัคคะดามหรือฉายาใหม่ให้ว่าวรราโพ ภ, ภายหลังเข้าพิธีธันหิกรรมเป็นพระพิสุ ฝ, ฝ่ายพระธรรมยุทธแล้วพระพิสุเหลียนก็ได้ติดตามพระอาจารย์กูธรรมทินโนไปจำพรรษาอยู่ตามวัดต่างๆสองพรรษาโดยพรรษาแรกอยู่ที่วัดป่าสารวาลี ตำบลบ้านคออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีวัดแห่งนี้ท่านพระอาจา ร, รย์ใหญ่หลวงปู่บ้านภู่ิทัิโตฝ่ายวิปัสนาในขณะนั้นเคยอยู่จําพรรษามาก่อนครั้นพรรษาที่สองพุทธศักราช2477ก็ตามพระอาจา ร, รย์กูไปจำพรรษาที่วัดอรั ญ, ญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายในพรรษานี้พระพิษุเหรียนได้เร่งความเพียรในทางปฏิบัติอย่างเต็มที่ จึงได้ตั้งใจสมาทานฉันอาหารเพียงเล็กน้อยและกําหนดกฎปฏิบัติว่า1จะไม่นอนกลางวัด2อตะวันตกดินจะเริ่มปฏิบัติธรรมทําสมาธิเดินจงกรมจเจริญภาวนาเมื่อเข้าจำวัดก็กําหนดว่าจะตื่นที่สองและหลังจากนั้นจนกระทั่งฟ้าสว่างก็จะบําเพ็ญภาวนาต่อไป หลังจากออกพรรษาที่สองพระพิสุเหลียนเห็นว่าได้รับอุบายธรรมจากพระอาจารย์กูพอสมควรเห็นว่าตัวเองพอมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วพอที่จะรักษาตัวเองได้และสามารถนำพาตัวเองไปบนเส้นทางธรรมได้อย่างไม่หลงผิดแล้วก็ได้กล่าบลาพระอาจารย์กูธรรมมติโนออกท่องทุดงตามลำพังระหว่างนั้นก็เฉยโอกาสไปพบปะและศึกษาธรรมปฏิบัติจากพระธุดงค์หลายรูปที่ได้พบกันในระหว่างทาง ท่านได้เล่าถึงเหตุการณ์ภายหลังจากได้กราบลาพระอาจารย์กูออกทุตดงเพียงลําพังให้ฟังว่าต่อมาหลังจากอยู่กับพระอาจารย์กูได้สองพรรษาแล้วอาตมาก็กราบลาท่านออกทุตดงต่อไปกราบลาพระอาจารย์กูแล้วพระพิสุเหรีย์ก็ท่องทุตดงไปเรื่อยๆโดยตั้งใจว่าในพรรษาต่อไปคือพรรษาที่สามเริ่มนับพรรษาหลังจากทําพิธีธนิกรรมจะไปจับพรรษาที่วัดเดิมคือวัดป่าสารวารี จังหวัดอุดรธานีระหว่างที่ทุดงจากวัดอรั ญ, ญาวาสีจังหวัดหนองคายกลับไปวัดป่าศาลวารีก็ได้พบกับเพื่อนสะทร ม, มิกที่ต้องอัธยาศัยกันรูปหนึ่งจึงได้หยุดพักปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งชื่อสำนักสงฆ์บ้านมีอำเภอน้มโสมจังหวัดอุดรธานีปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นจนกระทั่งถึงช่วงจะเข้าพรรษาก็ได้เดินทางต่อไปเพื่อจะไปจําพรรษาที่วัดป่าสาลวาลี ในพรรษานั้นพศ2478อันนับเป็นพรรษาที่สาภายหลังจากที่ธรมทันทิกรรมเป็นธรรมยุทธ์แล้วก็ได้ไปจําพรรษาที่วัดป่าศาลวาลีในพรรษานั้นได้ปลีกตัวไปจำพรรษาอยู่ที่ป่าช้าเพื่อจะเล่งความเพียรโดยปรารถนาความตายเป็นอารมณ์และเพราะเล่งความเพียรในการปฏิบัติมากเกินไปจึงได้เกิดโรคตามมาคือโรคเน็บชา ท่ันออกพรรษานั้นก็ได้ออกทุดงอีกพักบำเพ็ญธรรมตามป่าเขาลำนาวไพรต่างๆในแถบภาคอีสานชวนกระทั่งจะเข้าพรรษาจึงได้เดินทางไปยังวัดอรัญญบันพศตำบลบ้านหม้ออำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดต้องข่ายอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งตอนนั้นยังเป็นเพียงเสนาสนัป่าอยู่เพื่อจะประจาพรรษาที่นั่น กลับมาเที่ยวนั้นพระอาจารย์เหลียนได้อยู่จำพรรษาที่เสนาสนาปะป่าบ้านม่อหรือวัดอรยามันพศในปัจจุบันอยู่ถึงสองพรรษาคือพรรษาที่สและพรรษาที่หพศ 2479-2480 ในระหว่างจำพรรษาอยู่ที่นั้นได้เร่งความเพียรอย่างเต็มที่แต่ก็มีบางครั้งที่เกิดความรู้สึกว่าเหมือนกับมีอะไรมาขวางกั้นทาให้ไม่สามารถข้ามพ้นไปได้ ท่านเรียกมันว่ากิเลศเมื่อเกิดปัญหานั้นขึ้นมาท่านก็พยายามเร่งแก้ไขครั้นไม่สามารถแก้ไขได้ตนเองก็ได้ระลึกถึงท่านพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นภูรดิทัตโตฝ่ายวิปัสนาซึ่งตอนนั้นท่านก็ได้ย้ายไปเผยแพร่ธรรมอยู่ทั้งภาคเหนือส่วนที่ภาคอีสานได้มอบหมายให้สิทธิเอกคือหลวงปู่สิงห์ขันะยาขมูเป็นหัวหน้าสายทาหน้าที่ควบคุมหมู่คณะ หลวงปู่เหรียนได้เล่าถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมจึงเป็นอย่างนี้เราก็พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแจ้งชัดลงไปอย่างนี้แล้วจิตมันก็สงบลงแล้วทำไมมันเกิดขึ้นได้อย่างนี้ทำอย่างไรดีพยายามแก้ไขก็ไม่ตกสักทีโอสู้กันเป็นเวลานานนะอาตมาเกือบเสียท่ามันเหมือนกันเจ้า ก, กิเลตันหานี่แต่สติของอาตมาดีมากนะ สติและกำลังใจนี่เยี่ยมเลยเราไม่ยอมหลงไปกับมันให้เกินกว่า น, นี้อาตมาภาวนาทีไร น, นะมันโล่งว่างไปหมดกิเลสอะไรนี่ไม่มีเลยครั้นเราเผลอๆมันก็เกิดขึ้นมานิดๆ น, นะอัตมาก็มาคิดว่าเอไม่ได้การมันนั่งแก้ไขยอยู่คนเดียวนี่แก้เท่าไหร่มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นเลยทำให้นึกถึงหลวงปู่มั่นภูริทัตโต คงจะมีหลวงปู่มั่นเท่านั้นที่จะแก้กความขล้องใจของอาตมานี้ได้แน่นอนเลยเพราะประสบการณ์ของท่านมากมายอีกทั้งลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็มากมายล้วนเป็นผู้มีคุณธรรมขั้นสูงทางนั้นเราเห็นจะหลอไม่ได้แล้วว่าอย่างนั้นนะหลังจากตัดสินใจแล้วก็ติดตามข่าวของหลวงปู่มั่นว่า ท่านเดินทุ่ดงไปไหนกับคณะสิทธิ์บ้างพอรู้ข่าวว่าหลวงปู่มั่นท่านไปอยู่ที่เชียงใหม่อัตมาก็ได้ชวนพระเพื่อนกันไปเหนือทันทีเครื่องทุ่ดงต่างๆก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วออกทุ่ดงไปเรื่อยๆที่ไหนเห็นสมควรก็พักปากกดบําเพ็ญเพียรภาวนาเดินจงกรมลักษณะของการเดินจงกรมเนี่ยต้องเข้าใจนะเดินด้วยความมีสติอย่าคลาดเคลื่อนเวลาเดินจะไปคิดว่าเดินในตลาดนั้นไม่ได้ กำหนดเดินไปเรื่อยๆมันจะได้ไม่เหนื่อยการเดินอย่างนี้มันสบายดีเพราะไม่ต้องไปคิดว่าเมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะถึงเวลาฉันเมื่อไรจะมืดค่ำจะได้นอนไม่ใช่อย่างนั้นทุกย่างก้าวจิตแนบตัวกับพุโทโธอาการหายใจก็เข้ากับพุโทโธหายใจออกก็พุโทโธอยู่ก็พุโทโธตายก็ต้องตายกับพุโทโธอาตมาเดินไปเรื่อยๆแต่จิตใจขณะนี้ คิด ท, ที่จะทำลายความหลงของอาตมาด้วยสติปัญญาอยู่เรื่อยไปเอาอะไรมาทำลายละ่ะนอกจากธรรมะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนี่แหละนักปฏิบัติทั้งหลายพวกเราอย่าไปเห็นว่าเป็นของเก่าคุณธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่ของล้าหลังนะเพราะกิเลสของคนเหล่านี้มันเป็นของเดิมมาแต่ก่อนเก่าคือคนแต่ก่อนก่อนก็อาศัยกิเลสประเภทเดียวกันนี่แหละ ท่องเที่ยวมาในวัดตาสงสารตกแต่งให้เป็นโสดบ้างเป็นทุกบ้างแม้คนในปัจจุบันนี้ก็อาศัยกิเลสประเภทเดียวกันนี้เช่นกันแหละกิเลสประเภทที่ว่านี้ก็คือความโลภความโกรธความหลงกิเลสสามตัวนี้ย่อมติดสอยห้อยตามมนุษย์ปุถุชนเราอยู่ทุกยุคทุกสมัยที่นี้ธรรมะที่จะเป็นเครื่องตัดกิเลสตัณหาดังกล่าวมาแล้วก็เป็นของเก่ามีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่บังเกิดขึ้นในโลก และทรงแสดงคําสั่งสอนไว้ในโลกนี้ก็เป็นคําสั่งสอนอันเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันเลยการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราได้กระทําบุญบริจาคทานอันนี้เป็นเครื่องกำจัดความโลภเมื่อไม่มีความโลภสติคอยระลึกเตือนจิตใจไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เกิดทุกข์ผู้อื่นก็ไม่มาเบียดตนมันเป็นธรรมดาอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารักษาศีลอย่างนี้ ก็เพื่อเป็นเครื่องปราบกรามความโกรธความพยาบาทอันมีอยู่ในจิตใจของแต่ละคนให้น้อยลงและบ่าบางลงไปตามลําดับและการที่พระพุทธองค์สอนให้คนไหว้พระภาวนาอบรมจิตใจให้ถึงความสงบระงับจากความรักจากความชังจากความหดหู่ง่วงเหงาเหานอนจากความฟุ้งซ่านรําคาญต่างๆเหล่านี้เมื่อผู้ใดทําใจใสงบจากกิเลสได้ดังนี้ปัญญาก็จะเกิดขึ้นเป็นธรรมดา อุปทานความหลงต่างๆก็จะถูกปลงออกไปจิตใจของคนนั้นก็จะเบิกบานอุปมาเหมือนตะเกียงเมื่อขัดโป๊ะให้มันใสสะอาดแสงไฟที่จุดขึ้นก็จะสว่างจ้าออกไปโดยรอบแต่ถ้าหากว่าโปะตะเกียงของเราไม่ได้ขัดให้ใสปร่ยฝุ่นเกาะมัวหมองอยู่เช่นนั้นแสงไฟก็ไม่สามารถจะเจอจ้าขึ้นได้ย่อมเศ้าหมองเหมือนมนุษย์เา ถ้าถูกนิวรณ์เข้าครอบงำเมื่อใจมีความเศร้าหมองแล้วจะคิดอ่านอะไรก็ไม่ออกหรือไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงนี่เราก็เช่นกันออกไปภาคเหนือเพื่อไปหาครูบาอาจารย์ให้ท่านช่วยแก้ไขข้อสงสัยที่เกิดขึ้นภายในจิต ใ, ใจของเราให้หมดไปและด้วยความเห็นเช่นนี้เองพระอาจารย์เลียนจิงได้ทุดงมุ่งขึ้นเหนือเพื่อจะไปถวายตัวเป็นสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์ใหญ่หวงปู่มั่นภูริทัตโต ในตอนนั้นท่านได้ชวนพระพิสุรูปหนึ่งซึ่งอยู่ที่วัดอารามันทศ ด, ด้วยกันเพื่อไปกราบหลวงปู่มั่นที่ภาคเหนือซึ่งได้ข่าวว่าทัานทุดงในเขตจังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างที่เดินทางไปนั้นค่าไหนก็นอนนั่นพบสถานที่อันเป็นสัปปายะเหมาะแก่การบำเพ็ญธรรมก็หยุดพักบำเพ็ญธรรมอยู่ระยะหนึ่งครั้นเห็นว่าพอสมควรก็ถอนกรดทุดงต่อไปอีก ในระหว่างที่ท่านบําเพ็ญธรรมนาธรรมอยู่ในป่าแห่งหนึ่งคืนหนึ่งก็ได้นิมิตเห็นหลวงปู่มั่นเมื่อยืนอยู่ตรงหน้าทั้งๆ ท, ที่ท่านไม่เคยพบเจอหลวงปู่มั่นมากอ่อนท่านเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่มั่นท่านมายืนอยู่ตรงหน้าท่านยิ้ม เ, ยเฉยๆไม่ได้พูดอะไรด้วยนิมิตนั้นทําให้หลวงปู่เหรียญท่านเกิดความปลื้มปิติอย่างแปลกประหลาดและเกิดความมั่นใจว่าการเดินทางไปหา ครูบาอาจารย์ในครั้งนั้นไม่เสียเที่ยวแน่ๆจะต้องได้พบหลวงปู่บั่นแน่นอนจึงได้เร่งเดินทางเร็วขึ้นเมื่อไปถึงเชียงใหม่ก็ตรงไปที่วัดเจดีหลวงเพราะกอ่อนหน้านั้นได้ข่าวว่าหลวงปู่มั่นท่านประจำพรรษาอยู่ที่วัดนั้นแต่เมื่อไปถึงวัดเจดีหลวงปรากฏว่าหลวงปู่มั่นท่านไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วตอนนั้นท่านออกไปทุดดงพระอาจารย์เหลียญได้พบสิทธิ์ใกล้ชิดของท่านรูปหนึ่งคือ หลวงตาเกตรพระอาจารย์เหลียนได้แจ้งความประสงค์ในเรื่องการตั้งใจเดินทางมาเพื่อจะกราบหลวงปู่มั่นให้หลวงตาเกตทราบหลวงตาเกตจึงได้พาไปพบหลวงปู่มั่นที่ป่าแห่งหนึ่งซึ่งท่านไปบําเพ็ญธรรมป่าแห่งนั้นอยู่ใกล้ๆ ก, กับโรงเรือนเกษตรแม่โจ้เขตอําเภอสันสายจังหวัดเชียงใหม่ ฉันได้พบตัวจริงหลวงปู่มั่นพระอาจารย์เหรียนยิ่งให้อัศจรรย์ใจเพราะว่ารูปล่างลักษณะของท่านเหมือนกับที่เดทพบเห็นในนิมิตทุกประกาศภายหลังจากทําการคารวะตามฐานะแล้วท่านพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นก็ให้การต้อนรับพระอาจารย์เหรียนอย่างอบอุ่นหลวงปู่เหรียนท่านได้เล่าถึงเหตุการณ์ตอนพบหลวงปู่มั่นในครั้งแรกให้ฟังว่าหลังจากเดินทางมาถึงเชียงใหม่ อาตมาก็ได้เข้าไปฝากตัวกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตขอเป็นสิทธ์ให้ท่านสอนธรรมะให้หลวงปู่มั่นท่านมีความเมตตาสูงจริงๆนะท่านรับอาตมาไว้และสอนธรรมะให้วันนั้นอาตมาได้มีโอกาสฟังธรรมพร้อมทั้งลูกศิษย์ของท่านอีกหลายๆรูปอาตมามีความทราบซึ้งในคําสอนมากเหมือนมีกําลังใจนะขยันฝึกฝนจริงๆวันต่อมา อาตามาได้มีโอกาสสอบถามข้อสงสัยที่ตนกำลังติดขัดอยู่อาตามาเข้าไปกราบและเรียนถามเรื่องรลาวาที่ตนเองติดขัดให้ท่านได้บอกอุบายให้เมื่อหลวงปู่มั่นได้รับรายงานทราบความโดยตลอดแล้วท่านได้ชี้แนะอุบายให้ท่านบอกว่าท่านเลียนภาวนาเนี่ยไปเพ่งแต่ความว่างแต่อากาศอย่างนั้นมันไม่มีทางที่จะให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายความยึดความถืออะไร มันต้องมาพิจารณาล่างนี้ให้มากหลวงปุ่มั่นภูริทตโตอย่าในยกข้อเปรียบเทียบให้ฟังอีกว่าเขาทําไร่ทํานาเขาทําอยู่บนพื้นดินนี้เขาไม่ได้ทํานาบนท้องฟ้าอากาศหรือเวลาก็ทําไร่เขาไม่ได้ทําบนอากาศเขาทําบนพื้นดินฉันใดโยคาวจรผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหลายควรพิจารณาล่างกายนี่แหละเป็นอารมณ์จนเกิดนิพิทา ความเบื่อหน่ายในนามในรูปด้วยอำนาจแห่งปัญญานั่นแหละจึงจะเป็นทางหลุดพ้นได้ไม่ควรติดอยู่ในความสงบโดยส่วนเดียวพอหลวงปู่มั่นท่านให้อุบายอย่างนี้แล้วอาตมาก็นำมาปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมจำคำโอวาทของหลวงปู่ท่านพิจารณาไปไหนที่สุดมันก็ไม่สงบลง และท่านในเราถึงผลการปฏิบัติธรรมเมื่อครั้งอยู่สำนักของหลวงปู่มั่นในครั้งกันนั้นต่อว่าอาตมาเปลี่ยนมานั่งภาวนาต่อจิตนี่นะมันไม่ลงเหมือนก่อนเลยทื่อๆอยู่อย่างนั้นแหละเอมันเป็นอย่างนี้มันใช้ไม่ได้แล้วนี่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดตัวรู้รู้อะไรนี่ทาไมจิตไม่ลงอย่างนี้ไม่ใช่รู้จริงรู้หลอกรู้ลวงตัวเองเอาละ ทีนี้เราจะทำความเพียรให้มากทีเดียวกลั้นไปถึงคืนที่สี่ขณะที่อยู่กับท่านอาตามาก็ไปเดินจงกรมเดินพอสมควรแล้วก็เข้ามานั่งสมาธิต่อนนั่งอาตามอาอธิษฐานลงไปเลยว่าบัดนี้ข้าพระเจ้า จะนั่งสมาธิภาวนาเพื่อทําใจให้สงบและเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นถ้าหากว่าข้าพเจ้าทําจิตใจให้รู้ยิ่งเห็นจริงไม่ได้กว่าเดิมข้าพเจ้าจะไม่ออกจากสมาธิเลยให้มันแตกดับอยู่ตรงนี้แหละเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วก็เริ่มดําเนินภาวนาต่อไปโดยลําดับในขณะนั้นก็ปรากฏนิมิตเห็นร่วงปู่มั่นภูริทัตโต จงม้าอาชานไยตัวหนึ่งมายืนต่อหน้าแล้วท่านพูดว่านี่แหละคือม้าอาชาไนาอันประเสริฐท่านจงทํำตัวให้เหมือนม้าอาชานไยตัวนี้คือธรรมดาม้าอาชาไนาเป็นม้าที่ฝึกง่ายเข้มแข็งไม่อ่อนแอท่านจงดูนะว่าแล้วหลวงปุ่มั่นก็ก้าวขึ้นขี่บนหลังม้าอาชาไยตัวนั้นครั่นแล้ว มันก็พาท่านวิ่งไปอย่างรวดเร็วเหมือนลมพัดหายวับไปกับสายตาต่อจากนั้นก็ถวนกระแสจิตข้ามมาสู่ปัจจุบันพิจารณาดูในมิตรนั้นได้ความรู้ความเข้าใจในธรรมได้อย่างปลอดโปร่งว่ามาอาชาณายนั้นเปรียบเหมือนดวงปัญญากริยาที่วิ่งไปนั้นได้แก่ปัญญาพิจารณาเห็นสังขารนามรูปว่ามเป็นอนิจจัง ทุกขังอนัตตาตามสภาพความเป็นจริงอย่างรวดเร็วต่อจากนั้นก็พิจารณาดูธาตุสี่ขันธ์ห้าอย่างพิสดารกว้างขวางจนเห็นแจ้งประจักษ์โดยประการทั้งปวงหมายความว่าได้เห็นธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้ายิ่งไปกว่าเดิมจึงได้ออกจากการนั่งสมาธินับว่านานพอดูวันต่อมาก็ได้กลาบเรียนเรื่องความเป็นไปของจิตให้หลวงปูม่ม่านทันทราบ ท่านก็ชมว่าเก่งอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้เห็นทุกภัยในวัฏฏะสงสารมีความต้องการอยากจะพ้นทุกจริงๆและท่านก็ในแนะนําอุบายเรื่องการเจริญวิปัสนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนับว่าได้ผลเกินความคุ้มค่าที่ได้เดินทางมาด้วยความเหนื่อยยากเพื่อมาหาท่านพระอาตมาใช้อุบายที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านเมตตาสอนให้และอุบายที่กล่าวไว้เบื้องต้น อาตมาได้พบความสำเร็จเพียงประโยคสั้นๆนี้เองเป็นเครื่องเตือนใจอาตมามาโดยตลอดสิบสองปีที่ภาคเหนือภายหลังจากได้เดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์และอยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มัน่นที่ป่าข้างโรงเรียนเกษตรแม่โจ้ ในเขตอำเภอสันสายจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนั้นแล้วข้าจย์เหรียญก็ได้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ภาคเหนือนานถึงส2ปีโดยจำพรรษาตามวัดต่างๆดังนี้พรรษาแรกที่ไปถึงคือพรรษาที่หกของท่านได้ติดตามหลวงปู่มั่นไปจำพรรษาในเสนาสนาป่าที่สวนผลไม้แห่งหนึ่งในเขตอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่และในระหว่างเข้าพรรษาก็ได้ติดตามหลวงปู่มั่น ไปอยู่ในสถานที่อันวิเวกพร้อมกับสิทธิ์หลวงปู่มัน่นสองสามรูปบนดอยพระเจ้าออกพรรษานั้นแล้วก็ได้ติดตามหลวงปู่มั่นทุ ด, ดงไปปฏิบัติในที่ต่างๆจนกระทั่งถึงช่วงเข้าพรรษาก็ได้มาจำพรรษาที่วัดสันต้นเปาอําอเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากวัดแห่งนี้ต้องการกำลังคนช่วยในการพัฒนาพระอาจารย์เหลียญจึงได้อยู่ช่วยพัฒนาวัดนี้ อยู่นานถึงสามพรรษาคือพรรษาที่เจ็ดถึงเก้าภายหลังจากได้จำพรรษาอยู่ที่วัดสันต้นเปล่าได้สามพรรษาพระอาจารย์เหรียญก็ได้ย้ายไปบาเพ็ญธรรมอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในเขตอําเภอสันทรายและในพรรษานั้นคือพรรษาที่สิบของท่านท่านได้อยู่จําพรรษาที่สำนักสงฆ์แห่งนั้นซึ่งภายหลังมีชื่อเรียกว่าสำนักสงฆ์หนองหานในพรรษานั้น มีพระภิกษุสิทธิ์หลวงปู่มั่นมาอยู่จำพรรษาด้วยหลายรูปที่สําคัญสําคัญก็มีหลวงปู่ชอบฐานะสโมครั้นออกพรรษานั้นแล้วหลวงปู่ชอบก็ได้ชักชวนพระอาจารย์เหลียนทุดงไปทางฝั่งพมา่าแต่หลวงปู่เหรียนเห็นว่าตอนนั้นหลวงปู่มั่นท่านยังอยู่ที่ภาคเหนือกองทัพทมสายพระป่ากําลังลุกหน้าอยู่ทางเหนือควรจะเร่งความเพียรให้เต็มที่การไปพมา่าอาจจะมีอุปสรรค ทำให้การบําเพ็ญเพียรไม่ได้ผลเต็มที่นักจึงให้หลวงปู่ชอบไปรูปเดียวท่านก็ทุดงอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ต่อจนกระทั่งถึงช่วงข้าวพรรษาก็ได้ไประสมทบกับสิทธิของหลวงปู่มั่นอีกจํานวนหนึ่งไปจําพรรษาร่วมกันที่สํานักสงฆ์แห่งหนึ่งในเขตอําเภอสารกําแพงจังหวัดเชียงใหม่ท่านจำพรรษาอยู่ที่สํานักสงฆ์แห่งนี้ถึงสพรรษาคือตั้งแต่พรรษาที่สิอถึงพรรษาที่สิบา ภายหลังจากจากับพรรษาที่สำนักสงฆ์แห่งนั้นได้สามพรรษาพอออกพรรษาที่สามก็ได้ออกไปทุดงตามป่าขาวอีกก็ได้เจอกับหลวงปู่ชอบฐานะสโมและหลวงปู่ขาวอนาลโยซึ่งเจอกันในเขตอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ชักชวนกันไปบาเพ็ญภาวนาตามป่าเขาลำหน้าถ้ำด้วยกันทั้งสามรูปช่วงนั้นก็ได้ท่องทุดงกันไปทั่วจากแนวป่าสู่ขุนเขาขึ้นไปถึงที่อยู่ของพวกแมวไปเผยแผ่ธรรมะกับคนภูเขาซึ่งมีความเชื่อในเรื่องพูดผีพิศษอย่างฝังแน่นทั้งสามรูปต้องไปต่อสู้กับความเชื่อเก่าๆของชาวบ้านอยู่เป็นเวลานานจนกว่าจะประสบผลสาเร็จทาให้ชาวเขา หันมานับถือพุทธศาสนาได้มากขึ้นและในช่วงที่ท่านทั้งสามได้ไปพักบำเพ็ญธรรมอยู่ที่ภูเขารูกหนึ่งซึ่งชาวเขาเชื่อกันว่ามีพูดผีพิศดารดุมากจนเคยทำให้ชาวแมวเสียชีวิตไปแล้วถึงสามคนและเมื่อท่านทั้งสามไปบำเพ็ญอยู่ก็เกือบถูกเสือมาทำร้ายดีแต่ว่าหลวงปู่เหรียญท่านทราบในวาะ จ, จิตเสียก่อนว่าเสือจะมาท่านจีได้เพ่งจิตแผ่เมตตาให้มัน และคืนนั้นเสือร้ายก็ออกมาจริงๆแต่ไม่ได้ทําร้ายพระธุดงค์ทั้งสามมันมาเพียงแต่ตะกุยดินข้างๆที่พักเท่านั้นและในระหว่างที่ขึ้นไปบําเพ็ญธรรมกันอยู่ที่ระแวกภูเขานั้นหลวงปู่ชอบท่านก็ได้นิมิตเห็นพญานาคตนหนึ่งท่านได้เล่าให้เพื่อนสาทันมิตรทั้งสองฟังว่าขณะที่ท่านนั่งภาวนาพอจิตสงบก็เกิดแสงสว่างพุ่งไปสู่ทางจงกรมขณะนั้น ก็ปรากฏเห็นพญานาคตนหนึ่งโผล่ขึ้นมาที่ทางเดินจงกลมท่านก็เลยถามพญานาคว่ามาจากไหนพญานาคก็ตอบว่ามาจากเชิงเขาลูกนี้ข้าพระเจ้าอยู่เชิงเขาลูกนี้แหละในเขาลูกนี้มีลำธารผ่านเชิงเขาออกมาแล้วก็ไหลไปสู่ท้องนาของชาวบ้านพวกท่านเดินทางมาก็คงได้ข้ามลำธาร น, นั้นมาหลายครั้งไม่ใช่หรือหลวงปู่ชอบท่านถามต่อไปว่าท่านชื่อว่าอย่างไร พญานาคตนนั้นก็ตอบว่าข้าพเจ้าชื่อเทพนาคาหลวงปู่ชอบเล่าว่าพญานาคตนนั้นเมื่อโผล่หัวขึ้นที่ทางตรงกลมแล้วก็เอาหางฟาดเขาอีกรุ่งหนึ่งให้ท่านดูรู้สึกว่าตัวยาวมากทีเดียวพระท่านก็ได้เล่าถึงลักษณะของพญานาคตนนั้นให้หลวงปู่เหรียญท่านฟังว่าพญานาคตนนั้นมีหงอนสีแดงและมีแผงเหมือนกับของม้าลำตัวเป็นเกล็ดสีดำเรื่อม แสดงตัวให้ดูอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็จมลงไปที่เดิมนั่นเองหลวงปู่เหลียนท่านตามเพื่อนสหัรมิกสองรูปนั้นทุดงอยู่ในเขตป่ากขาวนั้นจนกระทั่งถึงช่วงจะเข้าพรรษาก็พากันประจำพรรษาที่อำเภอเถินในพรรานั้นท่านได้อบรมสั่งสอนชาวบ้าน ได้เข้าใจในพุทธศาสนาได้ผลพอสมควรและพอออกพรรษาก็ได้กลับไปรับโยมิดาซึ่งปฏิบัติธรรมอยู่วัดบ้านเดิมคือบ้านหม้อตำบนบ้านหม้ออำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายไปอุปสมบทเป็นพระภิสุที่วัดเชตวันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในขณะที่นำโยมิดาไปอุปสมบทที่วัดเชตวันก็ได้พบกับพระมหาทวันทิตังกูล ซึ่งเดินทางมาจากวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ชักชวนกันไปบปําเพ็ญธรรมในเขตจังหวัดเชียงรายหลวงปู่เหรียญก็ได้นําหลวงพ่อผาผู้เป็นโยมอิดาไปด้วยรวมกันเป็นสามรูปท่องทุดงบําเพ็ญธรรมกันอยู่ในเขตจังหวัดเชียงรายจนกระทั่งถึงช่วงจะเข้าพรรษาก็ได้กลับไปจำพรรษาที่จังหวัดเชียงใหม่พรรษานั้นนับเป็นพรรษาที่สิบหกของท่านและได้ไปอยู่ภาคเหนือเป็นพรรษาที่สิบแล้ว ในพรรษาที่สิบนั้นหลวงปู่เหรียนและคณะได้ไประจําพรรษาอยู่ที่บ้านว่างหลังหนึ่งซึ่งเป็นของชาวอังกฤษญาติโยมผู้มีศรัทธาได้นิมนต์ให้ท่านอยู่จําพรรษาที่นั่นเพื่อจะได้ช่วยสอนกรรมฐานให้ท่านทั้งสามจึงอยู่จําพรรษาที่นั่นหนึ่งพรรษาครั้นออกพรรษาพระมหาทวันก็ขอให้นําทางไปประเทศลาวเพราะจะไปที่จังหวัดหลวงพระบางความจริงในขณะนั้นประเทศลาวไม่สู้สงบนัก เขาอยู่ในช่วงสงครามภายในที่ชาวลาวรวมกันต่อสู้กับฝรั่งเศสที่ปกครองลาวอยู่แต่หลวงปู่เหรียญก็พาพระมหาทวันไปจนถึงและไปพักบาเพนธรรมอยู่ในเขตหลวงพระบางระยะหนึ่งได้เผยแพร่ธรรมะกว้างขวางไปพอสมควรสร้างศรัทธาให้แก่ชาวลาวได้เป็นอย่างมากในปีนั้นพุทธศาสนิกชนชาวลาวต้องการจะนิมนต์ให้ท่านจาพรรษาอยู่ที่โน่นแต่ท่านไม่รับนิมนต์ เพราะเห็นว่าเหตุการณ์บ้านเมืองไม่สู้สงบนักจึงได้ข้ามฝั่งกลับมายัางประเทศไทยและทุ ด, ดงกลับขึ้นไปยังภาคเหนืออีกครั้งหนึ่งในพรรษานั้นอันเป็นพรรษาที่17ท่านก็กลับไปจำพรรษาในเขตอำเภอเถินจังหวัดตากอีกครั้ง และข่าวนี้อยู่จากพรรษาที่นันนานถึงสองพรรษาคือพรรษาที่17บพรรษาที่18ในระหว่างท่องทุ ด, ดงบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในเขตอําเภอเถินนั่นเองท่านได้ประสบการณ์เกี่ยวกับวิญญาณหลายครั้งครั้งหนึ่งท่านได้เปิดเผยให้คุณธนกรสุริยนต์นักเขียนในเครือโลกทิพย์คนหนึ่งฟังเมื่อข่าวที่คุณธนกรไปกราบนพิธการที่สํานักสงฆ์สวนจิตรดาว่าที่อําเภอเถินจังหวัดตากก็เหมือนกัน อาตอมาเคยพาคณะไปปักกลดอยู่ที่ป่าช้าบ้านเหล่าหลวงเขตอำเภอเถินไปพักอบรมธรรมแก่ญาติโยมประมาณสามเดือนมีคนมาฟังเทศกันมากทุกคืนทีเดียวที่บริเวณใกล้ป่าชานั้นมีสารเจ้าย่าอยู่แห่งหนึ่งชื่อเจ้าพ่ออะไรก็จําไม่ได้เสียแล้วระหว่างนั้นเจ้าพ่อที่ศารนั้นก็ได้ไปฟังธรรมด้วยเหมือนกันพอใกล้จะเข้าพรรษาพวกญาติโยมที่ศรัทธา ก็ได้ประชุมตกลงที่จะสร้างเสนาสนะขึ้นให้คณะของอาตมาได้อยู่จำพรรษาตอนนั้นหลวงปู่อดประโมทิโตได้พาคณะมาสมทบด้วยชาวบ้านได้ถวายที่ดินประมาณสิบไร่เป็นที่สวนอยู่หลังตลาดอำเภอเถินออกไปไม่ไกลนักแล้วจัดสร้างกุฏิและศาลาลงทําอย่างง่า ย, ายเป็นเสนาสนะปา่าให้พระได้อยู่จำพรรักกันและให้ชื่อว่าสํานักสงฆ์นันทวนาร พลั่นออกพรรษาแล้วอาตมาก็เดินทางไปภาคอีสานแล้วก็เลยต่อไปภาคใต้ปีต่อมาก็กลับมาจําพรรษาอยู่ที่เดิมอีกพอกลับมาจึงได้ทราบเรื่องว่าเมื่อออกพรรษาปีก่อนนอนได้ไม่นานคนทั้งหลายที่นับถือเจ้าพ่อก็ได้พากันทำพิธีบูชาบวงสวงประจําปีเดิมทีศาลเจ้าพ่ออําเภอเถินนั้นดุมากต้องกินควายปีละหนึ่งตัวชาวบ้านจะฆ่าควายปีละหนึ่งตัวเพื่อทําพิธีบวงสวงต่อเจ้าพ่อ ขอให้คุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขทำมาหากินสะดวกและขอหวยขอเบอร์กันด้วยศารเจ้านั้นใหญ่โตมากทำด้วยไม้ทั้งหลังมีไม้เสาเป็นไม้แดงไม้ประดู่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นในพิธีมีคนประทับส่งเจ้าพ่อเหมือนกันเจ้าพ่อบอกว่าต่อไปนี้เจ้าพ่อจะจำศีลอยู่ที่ภูเขาอินทโขงแล้วอย่าได้ทำการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเส้นสวงเจ้าพ่ออีกมันไม่ดีมันเป็นบาป ชาวบ้านก็เลยถามเจ้าพ่อว่าอ้าวทับหมายว่าอย่างนั้นล่ะเจ้าพ่อก็เลยบอกว่าอ้าวเจ้าพ่อได้ยินพระธุดงมาแสดงธรรมอยู่ที่ป่าช้าเจ้าพ่อก็ไปฟังธรรมอยู่เหมือนกันก่อนนี้พระที่วัดเจ้าคณะอําเภอไม่เคยเทศน์อย่างนี้ว่าบาปแต่พระธุดงกรรมฐานมาเทศสอนชาวบ้านว่าการฆ่าสัตว์เพื่อเอาชีวิตและร่างกายเข้ามาบวงสรวงเส้นสังเวยนั้นไม่สมควรมันเป็นบาปอย่างมากเจ้าพ่อก็เพิ่งเข้าใจดังนั้น พวกลูกหลานขอเย็ดทําบาปอย่างนั้นอีกเลยต่อมาสารเจ้านั้นก็ล้างพวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ได้ไปขอเอาสารนั้นหรือมาทําสาราวัตได้หลังหนึ่งอาตอมากลับขึ้นไปที่นั่นอีกครั้งก็ได้เห็นสาลาใหม่ชาวบ้านจึงได้เล่าให้ฟังจึงได้รู้เรื่องศาลานี้ว่าเกิดจากเจ้าพ่อนั่นเองพระอาจารย์เหรียญกลับขึ้นไปภาคเหนือเที่ยวนั้นก็ได้ไปจําพรรษาอยู่สํานักสงฆ์นันทวานารามอีกสองพรรษา คือพรรษาที่17และ18ของท่านและเป็นสองพรรษาสุดท้ายที่ภาคเหนือเพราะว่าหลังจากออกพรรษาที่18แล้วท่านได้ทุดลงลงใต้อีกครั้งเพื่อจะได้เยี่ยมเพื่อนสหธรรมิกคือพระอาจารย์มหาปินชลิโตซึ่งได้ติดตามหลวงปู่เทศเทศหลังสีลงไปเผยแผ่ธรรมะแนวทางกรรมฐานของสายพระป่าอยู่ทางภาคใต้ตอ น, นั้นก็ตั้งกองเผยแผ่กระจุ่ที่อำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา 8ปดปีที่ภาคใต้ในขณะที่พระอาจารย์เหรียญทําหน้าที่เผยแพรธรรมะแต้มแนวทางของพระป่าสายหลวงปู่มั่นอยู่ที่ทางภาคเหนือนั้นทางภาคใต้หลวงปูเ่เทศเทศหลังสีก็ น, นาคณะเผยแพรธรรมตามแนวทางเดียวกันนั้นอยู่โดยมีท่านพระอาจารย์มหาปินชริโตเป็นผู้ช่วยคนสําคัญ พระอาจารย์เหรียญกับพระอาจารย์มหาปิดนั้นเคยพบปะกันมาก่อนและต่างชอบพอในอัธยาศัยของกันและกันเคยไปมาหาสู่กันอยู่บ้างภายหลังออกจากพรรษาในพรรษาที่18ประมาณปลายปีพุทธศักราช2494ภายหลังจากที่หลวงปู่เหรียญได้ไปทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะอยู่ทางภาคเหนือได้12ปีท่านก็ได้ทูดงรงใต้อีกครั้งเพื่อจะไปเยี่ยมเยียนเพื่อสัทธามิก ที่ไปเผยแพร่ธรรมะอยู่ที่นั่นและเพื่อจะได้กราบหลงปเทศเทศลังสีสิทธุนพี่ที่ได้ทำหน้าที่ขุนพลนำทัพพระป่าเผยแพร่ธรรมะที่ภาคใต้ในปีนั้นตรงกับปีพุทธศักราช2494เมื่อลงไปทางภาคใต้พระอาจารย์เรียนก็ตรงไปเยี่ยมเพื่อนสหธรรมิกที่ต้องอัทยาศาัยกันก่อนก็คือพระอาจารย์มหาปินชลิโตซึ่งต่อ น, นั้นพระอาจารย์มหาปินได้รับมอบหน้าที่ ให้เป็นหัวหน้าสงฆ์ทำหน้าที่เผยแพร่ธรรมะอยู่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่ตำบลกระโสมอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาซึ่งต่อมาภายหลังได้ดำเนินการก่อตั้งเป็นวัดปัจจุบันมีนามว่าวัดสันติวรารับพระอาจารย์มหาปิ่นชลิโตได้รอคอยพระอาจารย์เลี้ยนอยู่ที่นั่นเมื่อพระอาจารย์เหลี้ยนเดินทางไปถึงท่านก็นิมนต์ให้เทศนาธรรมแก่ญาติโยมที่มาฟังธรรมในวันนั้น พระอาจารย์เหรียนก็รับนิมนต์เทศภายหลังจากได้สนทนาวิสาสะกันตามสมควรแล้วพระอาจารย์เหรียนก็ได้พักอยู่ที่นั่นระยะหนึ่งครั้นเมื่อได้ทราบความเคลื่อนไหวเรื่องการเผยแพร่ธรรมะที่ภาคใต้พอสมควรแล้วก็คิดว่าควรจะอยู่ช่วยหลวงปู่เทศที่ภาคใต้สักระยะหนึ่งพระอาจารย์มหาปิ่นจึงได้นําไปกราบหลวงปู่เทศซึ่งตอนนั้นหลวงปู่เทศพำนักอยู่ที่พักสงโคกกลอยอําเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา เมื่อได้กราบหลวงปู่เทศเทศหลังสีแล้วหลวงปู่เทศให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและออกปากนิมนต์ให้อยู่ช่วยงานเผยแพร่ธรรมะที่ภาคใต้เพราะว่าตอนนั้นงานเผยแพร่ที่ภาคใต้นั้นเพิ่งจะเริ่มมาได้ไม่นานนักและต้องการกำลังคนอีกมากพระอาจารย์เหลียนเองก็ได้คิดอยู่ก่อนแล้วจึงรับนิมนต์อยู่ช่วยงานเผยแพร่ธรรมะที่ภาคใต้และตั้งแต่ปีนั้นมาท่านก็อยู่จับภาษาที่ภาคใต้ต่อเนื่องกันเป็นเวลาถึง8ปี พรรษาแรกที่ลงไปอยู่ภาคใต้นั้นพระอาจารย์เหรียญก็อยู่จาําพรรษาที่สำนักสงฆ์ตำบลกระโสมอําเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาที่พระอาจารย์มหาปิ่นเคยเป็นหัวหน้าสงฆ์อยู่ ท่านอยู่จำพรรษาที่นั่นสองพรรษาคือพรรษาที่19และ20ราวปีพศ2494ถึง2495 24ในขณะที่ไปเผยแพร่ธรรมะอยู่ที่จังหวัดพังงานั้นหลวงปู่เหรียญได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณอยู่มากมายแต่ท่านได้นำมาเล่าให้คุณธนกรฟังเรื่องหนึ่งเมื่อกล่าวที่คุณธนกรไปกราบที่สำนักสงศ์สวนจิรดาท่านบอกว่าที่จังหวัดพังงา สมัยที่อาตมาไปท่องเที่ยวทางภาคใต้ยอยู่8ปีก็ได้เห็นอะไรแปลกๆมากมายที่หน้าถ้ำแห่งหนึ่งอยู่ไม่ห่างจากเมืองพังงาหนักที่หน้าถ้ำเขามีศาลเจ้าอยู่แห่งหนึ่งสร้างคล่อมพื้นหินติดกับดินที่หน้าถ้ำไม่ได้ยกพื้นในศาลนั้นมีหินอยู่สองก้อนฝังอยู่เขาเทซีเมนกลบไว้โดยรอบหินนั้นโผล่ขึ้นมาเพียงครึ่งหนึ่งอยู่ใต้ดินครึ่งหนึ่งเป็นหินผิวเรียบเกลี้ยง แล้วก็สวรมรองเท้าเข้าไปก็ขึ้นไปเหยียบหินสองก้อนนั้นแล้วพูดว่าไหนได้ยินว่าเจ้าพ่อหลักเมืองอยู่ที่นี่หรือเออถ้าเจ้าพ่อหลักเมืองอยู่ที่นี่อาตมาจะมาพักอยู่ในถ้านี้และจะมาแสดงธรรมที่นาถ้านี้ให้ไปฟังธรรมกันเนอเพราะว่าอย่างนั้นแล้วก็เดินเข้าไปดูในถ้าโยมเขาพาไปพอดูถ้าก็เห็นว่าเหมาะที่จะอยู่กันได้ก็อยู่โยมชาวบ้านก็ช่วยกันทํายกร้านไว้เป็นที่นั่งนอนภายในถ้า แล้วก็มาทําศาลาน้อยที่ข้างหน้าใช้เป็นที่ฉันพัฒตาหารญาติโยมก็มาหาก็ไปต้อนรับกันที่ศาลาน้อยแสดงธรรมให้ฟังด้วยที่นั่นพักอยู่ในถ้านั้นได้สองเดือนพอใกล้จะเข้าพรรษาโยมชาวบ้านก็นิ ม, มนต์ประจําพรรษาอยู่ที่ป่าช้าอีกแห่งในเมืองพังงาเขาทําเสนาสะนะให้เสร็จสั์ปกติที่ศาลเจ้านั้นจะมีคนประทับทรงประจําตามเทศกาลวันสําคัญก็มีคนไปกราบไหว้กันแยะ ไปขอหวยขอเบอร์ทีนี้พอเข้าพรรษาได้ไม่นานก็มีเทศการทรงเจ้าขึ้นอีกมีอุบาสกคนหนึ่งที่มาพักอยู่กับอาตมาได้ถ่าหลายไปฟังกับเขาด้วยโดยหวังจะได้หวยได้เบอร์กับเขาบ้างแต่พอไปถึงได้เวลาเข้าประทับทรงก็ไม่เหมือนเช่นเคยเมื่อประทับทรงแล้วเจ้าพ่อก็พูดว่าต่อไปนี้ลูกหลานจะได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอามาบวงสรวงเจ้าพ่อนะ ทำมาเพื่อขอบัตรขอเบอร์ไม่ได้หรอกมันเป็นบาปชาวบ้านก็ว่าอ้าวเจ้าพ่อทําไมถึงพูดอย่างนี้ล่ะทําไมแต่ก่อนไม่เห็นพูดอย่างนี้เลยเจ้าพ่อก็บอกว่าเมื่อก่อนเจ้าพ่อไม่รู้นี่แต่ตอนนี้รู้แล้วเพราะมีพระทิดงมาพักอยู่ในถ้าและมาแสดงธรรมอยู่ข้างหน้าถ้ำเจ้าพ่อก็ไปฟังกับเขาเหมือนกันเจ้าพ่อจึงได้รู้ว่ามันเป็นบาปกรรมที่ทําอย่างนั้นการเล่นหวยนะ่ะมันไม่ดีหรอก มีแต่เดือดร้อนทั้งตนเองและครอบครัวก่อนนี้อาตามาก็เคยเทศเรื่องนี้อยู่บ่อยๆชาวบ้านที่ชอบเล่นก็ยังไม่เบื่อไม่เชื่ อ, อยังคงไปหาเจ้าพ่อขอหวยขอเบอร์อยู่เรื่อยๆแล้วก็เทศถึงเรื่องโทษที่เล่นหวยเล่นเบอร์ต่างๆนา น, นาเทศออกไปบางทีมันก็เป็นตัวเลขพวกนั้นก็จับเอาไปซื้อซะอีกก็เลยไม่รู้จะทำยังไง สร้างวัดประชาสันติพระอาจารย์เหลียนวลลาลาโพไปช่วยงานเผยแผ่ธรรมะอยู่ทางภาคใต้โดยทุด่ดงดไปพำนักตามป่าเขาต่างๆอยู่จนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2496ราษดรชาวพังงาคนหนึ่งซึ่งมีความศรัทธาในแนวทางของหลวงปู่มัน่นและเลื่อมใสในหลวงปู่เทศเป็นอย่างยิ่งก็ได้ถวายที่แปลงหนึ่งมีจานวนประมาณ9้าไร่ ซึ่งตั้งอยู่ในที่เขตอำเภอเมืองจังหวัดพังงาเพื่อจะให้หลวงปู่เทศสร้างเป็นวัดต่อไปหลวงปู่เทศท่านก็รับถวายที่ดินนั้นแล้วก็ได้สร้างเป็นที่พักสงฆ์ชั่วคราวขึ้นก่อนโดยมอบหมายให้พระอาจารย์เหรียญทําหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะพระอาจารย์เหรียญจึงได้มาอยู่ประจําที่สํานักสงฆ์แห่งนั้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498และท่านก็ได้คยค่อยพัฒนาวัดทั้งเสนาสะนะ และการศึกษาจนสามารถเปิดโรงเรียนประยะิยัติธรรมขึ้นที่นั่นสร้างเป็นสำนักวิปัสนาได้และต่อมาก็ได้พัฒนาขึ้นเป็นวัดชื่อว่าวัดประชาสันติปัจจุบันมีพระอาจารย์เสียนประพัสโลเป็นเจ้าอาวาสได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นวัดถูกต้องเมื่อปีพุทธศักราชสองพภายหลังจากได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นวัดเรียบร้อยแล้วพระอาจารย์เหรียญ ก็ได้มอบหมายให้กับพระพิสุสงฆ์ในท้องถิ่นภาคใต้ที่ได้ศรัทธามาศึกษาในสำนักนั้นทำหน้าที่เจ้าอาวาสต่อไปส่วนตัวท่านและคณะก็ได้นำคณะกลับไปภาคอีสานไปพัฒนาเสนาสนะป่าที่บ้านเกิดของท่านซึ่งท่านเคย อ, อยู่จำพรรษาเมื่อครั้งทำพิธีทันหิกรรมเป็นคณะธรรมยุทธ์ใหม่เสนาสนะป่าแห่งนั้นต่อมาก็ได้พัฒนาเป็นวัดชื่อ วัดอาราจยบันพศซึ่งท่านก็ได้อยู่ที่นั่นเรื่อยมาตราปัจจุบันดังความเป็นมาในประวัติโดยสังเขปของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุธรรมะขณาจารย์หรือหลวงปู่เหรียญวัลลาโพที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่านับแต่ท่านได้สละเพศคารวะ มาสู่ความเป็นปันปะชิตนักบวชในพระพุทธศาสนาท่านได้มุ่งต่อการศึกษาและฝึกฝนกายและจิตของตนให้ดำรงมั่นอยู่ในธรรมอันดีแห่งพระพุทธองค์โดยตลอดธรรมะอันใดที่ท่านศึกษาและปฏิบัติจนรู้แจ้งแล้วนั้นท่านจะไม่หวงแหนว่าธรรมนั้นเป็นเฉพาะของท่านเองท่านสู้ทนทุกยากปฏิบัติมาแสนลบากได้นาเอาธรรม อันแจ้งนั้นแล้วมาตีแผ่เปิดเผยให้แก่ผูธบริษัททั้งหลายให้ได้รับรู้และจดจำไปพิจารณาอย่างไม่ปิดบงังพ้อพูดกันนั้นท่านก็ไม่ละเลยในการบูรณะปฏิสังขรณ์การสร้างวัดสร้างวาอันเป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาในถิ่นสถานอันสมควรที่ท่านได้จาริกไปถึงซึ่งถือว่าท่านไดรรกิจอันถึงแล้วซึ่งหน้าที่ของพระภิสุสง ในพระพุทธศาสนาที่พึงมีต่อการจันลงพระพุทธศาสนาในฐานะสมณะศาคยะบุตร